รู้สึกเหมือนตัวเองโง่ไม่เลิกกันเจ้าค่ะเหมือนกับว่าพอเราขยันปฏิบัติไปสักพักหนึ่งอาจจะสักสองอาทิตย์พอมันมีวันหนึ่งที่มันรู้สึกขี้เกียจขึ้นมาแล้วการปฏิบัติในรูปแบบมันย่อหย่อนลงมาปรากฏว่าวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่เรารู้ตัวได้เป็นธรรมชาติมากที่สุดคือไม่ใช่ว่าย่อหย่อนแล้วเป็นธรรมชาติตอนที่เราตั้งใจปฏิบัติเนะี่ยมันเกินธรรมดานี้พอเราหยุดปั๊บเนะ มันเลยพอดีแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความพอดีนะพอหยุดปั๊บเราล่วงลงไปเลยเมื่อต้นเราตึงๆไว้นิดหนึ่งขยันไว้นิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็คอยเรียนรู้รู้ทันตัวเองไปเนี่ยมันอยากละมันเกินละคอยรู้ไปเงี้ยมีค่อยๆปรับปรองมันเองวันไหนที่รู้ตัวดีๆเจ้าค่ะมันก็เหมือนกับมันมีมานาอัตตาขึ้นมาว่าวันนี้ฉันภาวนาดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็รู้ทันว่ามีมานาอัตตา กิเลสนี่นะไม่มีเว้นว่างให้เราหรอกจู่โจมตลอดเวลาแน่ใจของเราถึงจะเป็นกุศลนะลึกลงไปก็เป็นอกุศลอกุศลมันจะบงการให้เราทำกุศลนะีคือความรักตัวเองมีอัตตารักตัวเองก็เลยลงมือภาวนาหวังว่าเราจะได้มีความสุขหวังจะดีหวังว่าจะสุขหวังว่าจะสงบกิเลสหลอกทั้งหมดเลยแต่ว่า ต้องทำอย่างนั้นก่อนนะต้องทำดีไปก่อนแล้วก็วันหนึ่งถึงจะพ้นดีแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปมอุตส่าห์ภาวานาแทบเป็นแทบตายดูไปดูมาฉเฉลียวใจขึ้นมาอ๋อกิเลสมันตรักไว้นะมันมีเซลล์ขึ้นมาเหมือนที่ครูบาบอกไปเทศใช่ไหมนะแรกจิตมีเมตตานะไปเทศมามันกลายเป็นมานะ่นะใช้ได้ เรารู้ทันไม่ถูกมันหลอกหลายคนนะแสดงธรรมะแล้วใจตะเลิดเปิดเปิงไปเลยก็มีนะถ้าคนไหนแสดงธรรมแล้วใจตะเลิดไปเลยก็ต้องไม่ให้แสดงครูบาจารย์ก็มีนะหลวงพ่อกินารีอาจารย์กินารีเคยสั่งหลวงพ่อชามีช่วงหนึ่งหลวงพ่อชายังเป็นพระหนุ่มๆอยู่กับหลวงพ่อกินารีพ่อกินารีสั่งว่าอะไรอะไรก็ดีแล้วนะอย่าเทศนะ ไม่เข้าใจแล้วทำไมไม่ให้เทศไป เ, เทศเข้าใจฟุ้งเลยนี่ครูบาอาจารย์ดูออกว่าจุดช่วงนี้เทศได้ เ, เทศไม่ไดน้นเวลาที่ทำกุศลแท้ๆมันพร้อมจะพิกาณากุศลจิตชมพูเป็นไงจิตไม่ตั้งมั่นฟุ้งซ่านมีโมหนะกระจายทำไงกำมันดีรู้เฉยๆจ<ะ>้าตับตามสูตรเ <laughs> <laughs> <laughs> พระใจไม่ยอมเฉยดูออกไหม ตอบหลวงพ่อตามทฤษฎีใจไม่ชอบมันเลยไม่ชอบมันแต่ว่ายังเป็นกลางมากกว่าแต่ก่อนแล้วถ้าแต่ก่อนทุรนทุรายนะอืเดีย๋ยวนี้ไม่ทุรนทุรายซึ่งมันจิตสว่างขึ้นมาใช่ค่ะจิตค่อยสว่างขึ้นมาจิตค่อยตั้งมั่นเข้ามารู้สึกไห ม, มนั่งตรงนี้ก็ต้องตั้งมั่นหน่อยละ <c oughs> ใช้ได้ชมพูดีละใช้ได้ดีนี่พวกนี้อยู่วัดอข้ามไปนู้น ช่วงวันก่อนเห็นคือเดินจงกรมอยู่แล้วเห็นเขาประคองไว้อะค่ะอืมแล้วปล่อยปล่อยไม่เป็ น, นะอืมอจับง่ายนะปล่อยยากนะอนีแล้วอันสุดท้ายเลยที่เราเข้าไปเอาไว้อ่ะคือจิตนั่นเองอ เ, เราจะไปหยิบสวยจิตขึ้นมานะหยิบอย่างว่องไวนะแต่ปล่อยไม่ได้อ่ะปล่อยยากแล้วก็ช่วงนี้เห็นเขาคือเห็นเขาเขาไปทําบ่อยอะค่ะคือพอเห็นขยิบก็ไปทําแล้วเราก็ก็หยุด แต่ผมก็ทำบ่อยๆทำทั้งวันแต่อย่าไปว่าเขาค่ะว่าน้อยลงใจยังไม่เป็นกลางนะแต่ว่าน้อยลงก็พยายามตามดูนะคะแต่ดูได้แป๊บๆแล้วก็เงียบลมรวมเยอะค่ะอืมอินกับมันนึอย่างนค่ะแล้วก็บางทีก็คือเหมือนทำแล้วไม่ได้ไม่มั่นใจว่าตัวเองพยายามมองมากเกินไปหรือเปล่าดูเล่นๆ ดูเท่าที่ดูได้นะอย่าตั้งใจเยอะตั้งใจเยอะไม่ดีหรอกภาวานาเราเครียดทําไม่ได้แร้วแล้วบางทีก็เป็นเหมือนกับเออที่เรารู้เนี่ยเราคิดว่าตัวเองรู้หรือเปล่าแล้วเราไม่รู้หรือว่าหรือว่ารู้จริ <c oughs> จร ง, รงๆอย่างเงี้ยค่ะหันใหม่ๆเป็นทุกคนนะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็สงสัยว่ารู้หรือยังรู้ถูกไหมเป็นทุกคนอนะ่ะไม่ได้เป็นคนเดียวนะ <c oughs> เพื่อนเยอะ <c oughs> ไม่ต้องตกใจหรอกเป็น แต่ว่าพอมันสงสัยขึ้นมาให้รู้ลงไปใจสงสัยแล้วให้รู้ลงไปเมื่อไหร่รู้ลงปัจจุบันถูกต้องนะเป็นปัจจุบันรู้สภาวธรรมได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพราะนั้นการปฏิบัติถูกต้องละไม่มีการปฏิบัติอะไรที่ยิ่งกว่านั้นละทำมากหน้ามากกว่านั้นไม่ได้ละงั้นอย่างใจเรากําลังสงสัยขึ้นมารู้ว่าสงสัยนะรู้ถูกต้องอย่างนี้ใช้ได้ ถ้าสงสัยแล้วไม่รู้ว่าสงสัยใจจะดิ้นไปคิดใหญ่เลยหาคําตอบตรงที่ใจดิ้นไปคิดเนี่ยลงไปเรียบร้อยแล้วกิเลส ท, ทางานสําเร็จแล้วจูงเราไปคิดกิเลสจะหลอกล่อให้เราปรุงแต่งงานหน้าที่ของกิเลสคือพาให้เราปรุงแต่งกิเลสมีชื่อเพราะๆชื่ออภิสังขารมานมานตัวนี้คือเครื่องขัดขวางคุณงามความดีขวางมรรคผลนิพพานสิ่งที่เรียกว่ามานเนี่ย พิสังคารมานคือมานคือความปรุงแต่งนั่นเองเป็นหัวโจกมานเลยนะตัวนี้ร้ายที่สุดเลยดูยากเทวบุตรมานนพวกเราไม่ค่อยเห็นหรอกเขาไม่ค่อยอยากยุ่งกับเราเราคนละชั้นกันนะพวกเทวบุตรมานจะไปสู้ก็ต้องไปสู้กับพระโพธิสัตว์ไม่ค่อยเยอะบวชแวกเราเ็ราพวกนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยกว่าเทวดาทั่วทั่วไปอีก<ม>เนียบมากเลยเวลา ไปหาพระมาฟังทมกับพระอะไรนี่นะพวกพวกมาร น, นี่เรียบร้อยิริยามารยาทงดงามแต่มารสาคัญนี่มานในใจเรานี่นะอภิสังคารมารกิเลสมารมีหลายตัวนะอภิสังคารมารมันคิดไปคิดไปแล้วก็เปิดช่องให้กิเลสมารทำงานใจของเราเลยกลายเป็นเทวบุตรมารใจของเราเป็นมารซะเองใจเลยชั่วใจเลยร้ายร่างกายนี่เรียกเป็นขันธมารเป็นกายนี้ วันนี้ตื่นเต้นค่ะเออหลวงพ่อก็ได้ยินประโยคนี้ทุกวันธรรมดาจนไม่ตื่นเต้นแล้วแล้วไงเห็นกิเลสบ้างยังเห็นบ้างแล้วค่ะแต่ว่าความรู้สึกเอจะรู้สึกว่าเวลาโกรธใครเนี่ยเหสิบสามเหลอไปแล้วเวลาโกรธใครเนี่ยจะรู้สึกได้เร็วมากกว่าเดิมอะค่ะดีแล้วก็จะอยู่นานมากนานมากเหรอแสดงว่าไม่ได้มีสติ เวลาความโกรธเกิดขึ้นอย่าไปเกลียดมันถ้าเรามีความโกรธเกิดขึ้นเราไปเห็นมันแค่เราอยากให้หายนะไม่หายเพราะวาใจเราไม่ได้มีสติแต่ใจเรากำลังมีความโกรธอีกตัวหนึ่งเรากำลังโกรธเรากำลังเกลียดความโกรธตัวแรกอยู่งั้นใจไม่เป็นกุศล จ, จริงหนอกอให้รู้ทันนะถ้ารู้ทันถูกต้องปั๊บเนี่ยขาดทันทีเลยแต่อย่าอยากขาด ถ้าอยากให้ความโกรธดับทันทีเนี่ยความอยากมันเกิดเลยค่อยดูไปไม่หัดไปนะยังมีเวลาดูไปอ่ะคุณต้องวันนี้บังคับน้อยกว่าเมื่อวานค่ะ อ, อก็ฟังหลวงพ่อเป็นสิบสิบทีแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้ทุกครั้งอะคะ่ะว่ามันก็ค่อยเขาเขาอกเข้าใจขึ้นเนี่ยมันต้องด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะมันต้องรู้ด้วยตัวเองนะ <c oughs> มันมันไม่รู้หมายถึงว่า มันรู้ว่าอะไรอะ่ะมันมันไม่สำคัญเลยอะค่ะแต่ว่ า, ารู้แล้วมันก็จบลงตรงนั้นนะคะปัญญาเรามีแค่ น, น, นะคะั้นที่จริงก็แค่รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามที่เขาเป็นนะรู้ลงแล้วก็จบลงแค่การรู้ถ้าเรารู้สิ่งทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมกระทั่งสมมุติบัญญัติเนี่ยพอเราไปรู้แล้วเราหลงยินดียินร้ายจิตจะทำงานจิตจะปรุงแตง่ง จิตปรุงแต่งจิตก็มีความทุกข์จิตห่างไกลมรรคผลนิพพานออกไปรู้ทันไม่ปรุงไม่แต่งใจก็เข้าสู่เส้นทางที่ราบรื่นคุณตรงเข้าสู่ทางราบรื่นตอนก่อนเข้าห้องนะครับมีความรู้สึกว่าทำไม่เป็นแหละพอมา น, นั่งรงี้สักครู่เดียวก็ก็กลับไปช่องเดิมว่ามันก็ดูไปดูมาไม่ทราบดูอะไรอืมรู้สึกว่าหลงไปดูจิตอืม เมื่อกี้นี้มันหลุดออกมาทีหนึ่งแล้วตอนที่ใหม่ไปถึงคุณต้องใจมันหลุดออกมาแล้วดีแล้วใจมันเดินของมันได้เองแล้วคือในขณะที่เราไม่ได้เข้าไปปรุงไปแต่งนี่นะใจมันถอดถอนตัวเองออกในะนี่ใจของเราที่มันถอดถอนออกจากโลกไม่ได้นะี่เพราะมันเข้าไปปรุงไปแต่งพอเราเว้นการทำอะไรทั้งหมดเลยนะเว้นการทำงานภายในเด็ดขาดลงไปนะ ใจมันก็จะหลุดออกมานี่ถ้ามันมีกำลังมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันย็เกิดมากเกิดผลขึ้นมาใจหนีไปคิดใช่ไหมใจจะทำงานงั้นเบื้องต้นเราทากรรมฐานมันก็คือทำนั่นแหละต้องทำไปก่อนทำทำทำไปถึงจุดหนึ่งคือมันหยุดของมันเองตรงที่มันหยุดโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจหยุดก็คือการทำงานอยากหยุดแล้วตั้งใจหยุดนี่ใช้ไม่ได้แกล้งหยุด แต่ถ้าเราตามรู้ตามดูไปแล้วใจเราเว้นขาดจากการปรุงเพิ่มจิตมันทํางานไปแล้วใจเราไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะมันจะคลายตัวของมันออกเองเลยเัย้นตรงที่เวลามรักผลจะเกิดเนี่ยจะต้องเว้นขาดจากความจงใจจิตเขาหลุดของเขาเองเขาคลายของเขาเองเมื่อวันเมื่อวานฟุ้งมากเลยครับคือโ ม, มะหะเยอ ะ, ะคุยธรรมะเยอะไปหน่อยครับอืมอย่าคุยเยอะนะแล้ววันนี้ก็ คือก็เลยนั่งสมถะเข้าไปแล้วก็ค่อยเบาลงไปแต่ว่า ย, ยังมีติดอยู่บ้างใจซึมไปนิดหนึง่งอันนี้เป็นวิบากของความฟุ้งซ่านเม <c oughs> ื่อวันน้นฟุ้งซ่านนะวันต่อมาหรือช่วงเวลาตามาจะซึมถ้าช่วงหนึ่งกามราคะรุนแรงช่วงหนึ่งโทสะมันจะแรง <c oughs> จะกลับข้างกันถ้าโทสะแรงนะถัดไปเดี๋ยวราคะก็แรงอย่างเงี้ยจะเหวี่ยงเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเน เป็นปฏิกิริยาของจิตตามธรรมดา<อ>ถ้าฟุ้งไปแล้วก็ซึมนะหรือบางคนภาวนาน้อมใจให้ซึมไว้พอไม่น้อมเมื่อไหร่นะฟุ้งสุดจิตเลยกลับข้างเพราะเราน้อมเข้ามาจะไม่ถึงถ้าน้อมเข้ามาเนี้ยน้อมอย่างที่ทำอยู่เนี่ย น, น้อมนะ้อมแล้วอีกช่วงหนึ่งจะซึมไอ้แม่พอไม่ซึมแล้วนะจะฟุง้งใช่ครับจะฟุ้งสุดๆไปเลยใช่สิพะหลกพ่อเห็ <laughs> นมาเองเลย <laughs> เนี่ยที่มาเล่าเล่าให้พวกเราฟัง่เล่าด้ยวยความมั่นใจเพราะเคยทําผิดมาแล้วหาคนที่ภาวนาผิดเท่าหลวงพ่อหายากนะเพราะมีนิสัยชอบลองผิดลองถูกบางทีภาวนาไปนะ่รู้แล้วเส้นทางมันอยู่แค่เนี้ยแต่เห็นอะไรไหวๆอยู่ข้างทางนี่ต้องแวะก่อนนะต้องไปเรียนก่อนเก็บข้างทางไปเรื่อยๆมันเป็นนิสัยพวกพระโพธิสัตว์เก่าติดนิสัยอย่างเนี้ย วันนี้ไม่ทราบว่าจิตมันไปติดนิ่งๆหน่อยหรือเล่าจิตมันมีกําลังมากกว่าเมื่อวานแต่ยังไม่ลงฐานทีเดียวยังกระจายตัวออกข้างนอกนิดหน่อยนิดๆดูออกไหมไม่ถึงที่มันรู้สึกว่ามันมันมันมันใกล้ฐานแต่ว่าเออมันใกล้ฐานแต่มันยังไม่ถึงฐานรู้ถูกต้องแล้วให้รู้ต่อไปว่ามันยังไม่เข้าฐานอย่าดึงให้เข้าฐานเนี่ยให้รู้เฉยๆไม่ให้ทํา ให้รู้ไม่ให้ทําจําไว้นะคํานี้เป็นคีย์เวิร์ดให้รู้นะไม่ให้ทําอ่ะเมื่อกี้ตอนเห็นหลวงพ่อเดินออกมานะคะไม่หันตรงนี้เมื่อ ก, กี้ตอนเห็นหลวงพ่อเดินออกมานะคะเบิกบานมากเลยค่ะหลว ง, งพ่อเบิกบานหรือคุณมนเบิก บ, บานมนค่ะหลวงพ่อคงเบิกบานอยู่แล้วมนหลวงพ่อนะอยู่ตามลําทางหลวงพ่อเบิกบานนะ มาเจอโยมหลวงพ่ออุเบกขาจิตมันมีสองอย่างเนี้ยวันไหนไม่เจอโยมน้ำเบิกบานวันไหนไม่มีใครยุ่งด้วยนะโอ้สุโขวิเวโกเวลา ย, ยุ่งด้วยก็อุเบกขาไปาแล้วไงเบิกบานแล้วไงแล้วพอหลวงพ่อเดินมานั่งปุ๊บนั้นมันเห็นมันหล่นจุ๊บลงมาเลยอะค่ะอแืแบบก็พอเห็นก็คือมองมันเฉยๆแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปทําอะไรมันเพียงแต่แปลกใจ มันหลดลงมาอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยใจตอนนี้นะมันนิ่งเกินจริงนิดหนึ่งดูออกไหมมันนิ่งเกินจริงไปนิดหนึ่งแต่ดีขึ้นแล้วนะคุณวุฒิคุณมนคุณวุฒิวันนี้ใช้ได้เลยมันล้ำหน้าออกไปนิดเดียวใช้ได้บนก็รู้สึกว่ามันตั้งมั่นดีกว่าตอนที่วันก่อนจะมาอะนะมันตั้งเกินใช่แต่ว่ามันไปตึงไว้อ่มันตั้งเกินมันคล้ายๆงูชูหัวไว้หน่อยหน่ เผื่อว่าอะไรมาจะฉกมันแต่ใช่ค่ะจ้องไว้เลยแล้วพบกิเลสมาอุ้ยดีใจแบบเห็นแล้วจะชกกิเลสเงยจ้องไหมมาแล้วจะชกมันนใจมันขยับขึ้นมานิดหนึ่งดูออกไหมค่ะแต่มันก็มีซึมซึมมีบอกมีมัวมัวด้วยนะคะมันคนละตัวใช่ไหมคะคนละตัวกันมันก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นตัวเดียวกันเอ้แปลกใจว่าเหมือนเราจ้องอยู่แต่ทําไมมันมัวด้วยอยู่ตางหากกิเลสอยู่ตางหากแล้วความซึมความมัวเนี่ยเป็นทางกาย อันนี้เป็นทางกายตอนนี้เพราะงั้ <Okay. S 1> นใจเนี่ยมันทรงตัวอยู่ต่างหากได้เวลาที่เราจะตายจริงๆนะ ใ, นใจมันจะอยู่ต่างหากอย่างเงี้ยเราร่างกายก็เจ็ไปเรื่อยๆใจไม่เกี่ยวกันเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะตัดความรับรู้ทางกายไปเหลือแต่ใจอันเดียวแล้วครานี้เพาะงั้ <Okay. S 1> นเราฝึกจิตฝึกใจของเราไว้ให้ชํชนานิชานานเกิดปุบ ป, ปับจะตายนะใจมันจะถอดถอนมันทิ้งกายนะ ไม่ต้องกลัวว่าเจ็บจนขาดสติอะไรกันไม่ต้องกลัวขนาดนั้นอนะเวลาเจ็บสุดขีดแล้วมันจะทิ้งไม่มีกายจะเจ็บแล้วตัดความรับรู้หดตัวเข้ามาเหลือแต่จิตถ้าเราฝึกชำนิชำนานนะใช้ได้แล้วฝึกไม่ชำนิชำนาญมันไม่ย้อนเข้ามาที่จิตนะมันกระจายออกไปข้างนอกไปเห็นนิมิตต่างๆขึ้นมานิมิตที่เป็นอดีตบ้างเป็นอนาคตบ้างเป็นอดีตเช่นเคยทํากรรมอะไรไว้ไปเห็นเขาเป็นอนาคตเช่นเห็นที่จะไปเกิด งั้นเราฝึกไปในสุดจิตกับกายมันไม่เกี่ยวกันรู้สึกยังคนละอันค่ะเวลาวนเดินวนก็จะเห็นว่ามันเห็นกายมันเดินเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นไปเรื่อยๆแต่ว่าแต่จิตมันเหมือนงูเห่าชูหัวไปนิดนึงใช่ค่ะมันจมมันจะฉกเกินไปให้รู้ทันนะหลวงพ่อค่ะถ้าหลวงพ่อไม่บอกนุ่นยังเข้าใจว่ามันน้อยไปเลยนะคะนุ่นบกว่าแม่มากไปแล้วใช่บนบนเข้าใจว่ามันยังฉกไม่ทันเลยค่ะไม่ต้องทันนะ อย่าจงใจไปฉกมนเข้าใช่เพราะว่า ม, มันคือมันไม่อยากให้มันปัญหา อ, อยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ใจนี่ไปเตรียมจะฉกไว้รอให้สภาวะผ่านมาแล้วจะฉกนะต้องไม่มีตัวนี้หน้านอนให้สบายไปใครเข้ามาเดินเหยียบแล้วค่อยโผล่ขึ้นมาฉกนะ น, นี่ทั้ ง, งใจทั้งกายเลยค่ะแบบนอนก็ไม่นอนเอาหมอนมาพิงไว้แล้วก็คอยนั่งดูมันไม่ได้นะนั้นอัตตากิลมฐานุโยกมากไป มันก็เลยง่วงอะไรง่วงง่วงก็เบื่ออยู่เนี้ยนะใจก็ทรงตัวอยู่ต่หากนันสิคําวันถือว่ามันทําไมมันแปลกว่ามันมีสองอาการเอ็มัวก็มัวเอ็จ้องจ้องมันก็จ้องด้วยใจมันมัวนะใจมันสว่างข้ามสองคนนี้ไปนั้นไปเกิดการก็ได้เขาที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเขยังติดแกล้งทําไปนิดนึงก็เลยกลับไปก็คือปล่อยปล่อยไปเยอะเหมือนกัน ครานี้พอปล่อยปุ๊บมันก็หายไปเลยมันกระจายไปเลยมันดูดูอะไรไม่ได้เลยเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เพิ่งจะเริ่มดูขึ้นมาได้นิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ยังมีโม่โม่อยู่บ้างโม่โม่เกง็งเกงรงนะดีที่รู้สองคนนี้มาจากไหนนมาจากฝรั่งเศสเคยฝึกอะไรมาไม่เคยครับไม่เคยออกฝึกไง่ายพวกที่เรืยนมากๆฝึกยาก กรรมฐานจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองเราจะเรียนรู้ตัวเองวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เนี่ยเพื่อจะสามารถมีชีวิตแบบมีความทุกข์น้อยๆถ้าในอุดมคติเลยก็สามารถมีชีวิตอยู่แบบไม่มีความทุกข์นี่ความทุกข์มันอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราเนี่ดังนั้นการเรียนรู้ของเราเราจะเรียนรู้ว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงการศึกษาธรรมะก็คือการศึกษาตัวเองจนเรารู้ ว่าความทุกข์มันเข้ามาในกายในใจได้ยังไงความทุกข์ทางกายเนี่ยห้ามไม่ได้เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองจิตใจมีกระบวนการทำงานของเขาถ้าเราไม่เห็นกระบวนการทำงานอันนี้จิตใจก็จะไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาเป็นครั้งเปลี่นข่าวสร้างขึ้นมาเป็นระยะระยะถ้าเรารู้เราเห็นการทางานของจิตใจเราจะรู้ความจริงข้อหนึ่ง คนอื่นนะสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองนี่ถ้าเราเข้าใจแจมแจ้งในจิตใจของเราเองนะเรียกว่าเราค้นพบตัวเองลนะถ้าคนพบตัวเองเมื่อไหร่นะจิตใจจะมีความเต็มอิ่มขึ้นมาเลยจะเต็มอิ่มเบิกบานอยู่ในตัวเองนี่หน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติที่จะสนใจการปฏิบัติเนี่ยต้องหัดสังเกตจิตใจของเราเองวิธีสังเกตใจของเรานะี่ยไม่ยาก คุณรู้จักความกโกรธไหมเคยกโกรธไหม เ, ออเคยโลภไหมเคยอยากโน่อนอยากนี่ เ, ออคเคยกลัวบ้างไหมเป็นผู้ชายเคยกลัวเหรอฮะเคยครับเคยใช่ไหมเคยกังวลไหมกังวลครับรู้จักใช่ไหม<ะ>เคยอิจฉาไหมครับเนี่ยจริงๆนะก็คือเราแต่ละคนเรารู้จักสภาวะอยู่แล้วหน้าที่ของเราเนี่ยก็าแค่รู้ลงไปว่าขนาดนี้ความรู้สึกอะไรกาลังเกิดอยู่ในใจเราเนี่ยฝึกแค่นี้เอง งั้นเราอเราจะคอยดูความรู้สึกที่เกิดอยู่ในใจเราซึ่งเรารู้จักอยู่แล้วทุกตัวนะจะโลภจะโกรธจะหลงจะอิจฉาจะดีใจจะเสียใจจะสุขจะทุกข์นะเรารู้จักอยู่แล้วเพียงแต่มาหัดดูให้รู้ทันว่าตอนนี้อะไรกำลังเกิดอยู่ในใจเราต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นเลยความสุขนะผ่านเข้ามาในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป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 ต่อไปนีจิตใจเราจะหวั่นไหวกับโลกน้อยลงน้อยลงอย่างความสุขมานะเราจะไม่หลงระเริงล้เรารู้ว่ามันชั่วคราวความทุกข์ผ่านมานะเราไม่ทุรนทุรายเรารู้ว่าชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวความทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลงใจก็ยอมรับความจริงของชีวิตมากขึ้นอย่างปัญหาชีวิตทั้งหลายไหลผ่านเข้ามานะเราก็รู้อีกว่าชั่วคราวจิตใจจะไม่ทุกข์แล้ว เราก็สามารถอยู่กับโลกได้แบบทุกน้อยลงน้อยลงมิธีปฏิบัติก็แค่หัดตามรู้ความรู้สึกของเราที่กำลังปรากฏในปัจจุบันไปเรื่อยๆฝึกเท่านี้แหละนะแค่นี้พอไหวไหมนะไปลองดูถ้าลองดูสักเดือนหนึ่งเนี่ยจะพบเลยว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงจิตใจเราไม่เหมือนเดิมถ้าขยันดูได้สักเดือนหนึ่งนะหลายคนที่ฟังหลวงพ่อพูดครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งอะไรเนี่ยจิตตื่นขึ้นมา พอจิตตื่นขึ้นมาเนี่ยถึงกับอุทานกับตัวเองเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยหลงตลอดเลยแต่เดิมเราคิดว่าเรารู้สึกตัวนะแต่พอเรารู้สึกตัวอย่างแท้จริงขึ้นมาแล้วเรารู้เลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราหลงตลอดเลยเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเราไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงสักทีเดียวแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตใจของเรานะจิตใจเราจะหลุดออกจากความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงได้ เวลาเรามีปัญหาชีวิตเราก็ดูใจของเราก่อนกังวลใจกลุ้มใจอะไรเรารู้ทันมด น, นะความกลุ้มใจความกังวลจะหายไปใจิตใจเราสงบตั้งมั่นแล้วก็ใช้สติปัญญาของเรานี้แหละไปแก้ปัญหาเอาอันนี้สําหรับคนที่จะอยู่กับโลกนะคนที่จะอยากได้มรรคผลนิพพานก็ตามดูไปเรื่อยๆไม่ละเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะเอามรรคผลนิพพานแล้วต้องทิ้งโลกนะ เราเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้จิตใจของเราตอนอยู่ในโลกนี้แหลนะกระทบอารมณ์ดีกระทบอารมณ์ร้ายจิตก็หวั่นไหวยินดียินร้ายไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปเรื่อยจนวันนึงก็เข้าใจทุกอย่างชั่วคราวดูไปเรื่อยแค่นี้ดูความรู้สึกอย่าไปจ้องให้นิ่งก็แล้วกันของคุณก็เริ่มจะไปติดจ้องเหมือนกันะอย่าไปน้อมใจให้นิ่งนี่เรามาจากไหนฝรั่งเศสนึก ม, มาด้วยกันฟังด้วยกัน<ะ>เลือดสูพผ่ณนส่งไป้งหลัง ช่วงนี้หายร้องเพลงแล้วค่ะหลวงพ่ อ, อเพราะว่าก็พยายามกลับไปทําสมาธิเบสิบเจจากฝรั่งเศสรู้สึกไหมเมื่อกี้ใจมันหนีไปใจมันลอยไปพอใจมันลอยไปนะเราจะลืมตัวเราเองหน้าที่ของนักปฏิบัติก็คือเรียนรู้ตัวเองเพราะถ้าใจลอยไปเมื่อไหร่เราจะลืมตัวเองไม่ได้ปฏิบัติแค่นี้เองแค่นี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปเก็บกดบังคับใจตัวเองให้ทื่อๆอย่างนี้เก็บกด สิ่งที่ผิดมีสองอันเผลอใจลอยไปกับบังคับตัวเองไว้สองอันนี้ไม่เอาแล้วให้เราแค่ตามรู้ความรู้สึกที่กำลังเป็นปัจจุบันเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆ่ะเห็นอะไรทุกอย่างชั่วคราวอ่ะแฟมต่อแล้วก็วนั่งสมาะค่ะหลวงพ่อเห็นใจแบบมันคิด เรื่องแบบว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนับไม่ทันเลยค่ะหลวงพ่อว่า ม, มันคิดไปเรื่องอะไรบ้างแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเร็วมากๆเลย อ, อะค่ะเวลาดูไม่ต้องไปดูทีละเรื่องถ้าดูทีละเรื่องแล้วสับสนให้รู้ลงไปว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่ให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตจะสงบเองเลยแล้วไม่ทราบตอนนี้ใช่ได้ที่ภาวนาอยู่ดีได้คะแนนหลายคะแนนหน่อยก็เห็นความรู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็กลัวค่ะหลวงพอ่อเมื่อวานพอน้องเขานัดว่าจะมากราบหลวงพอ่อตัวเองก็ถอนใจเฮือกเลยค่ะแล้วก็แบบเห็นเลยค่ะว่ากลัวแต่ตอนที่เริ่มกลัวไม่เห็นนะคะแต่พอถอนใจแล้วก็เห็นว่าเออมันแสดงออกมาทางกายเจ้าค่ะหลวงพอ่อดีแล้วแพรหัดดูอย่าให้มันซึมมากให <c oughs> มันซึมไปนิดนึงก็ลกลัวเลยไปข่มไว้ <c oughs> ข่มไว้เลยซึมๆแปมใจรอยไปแล้วมัวแต่ดีใจแล้วไม่ได้ดูเนีดีใจให้รู้ว่าดีใจนะ สูตรเบสิกเลยเดี๋ยวเขาถามอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ใจลอยเหรอคะหลวงพ่อมันมันไม่ได้เหมือนมันปลื้มมันตมันปลื้มมันปลื้มแล้วไม่เห็นว่าปลื้มมันปลื้มแล้วเครือบเคริ้มยินดีในความปลื้มนั้นอ๋อมักจะเป็นบ่อยเลยค่ะให้รู้ทันนะอย่างนั้นหลงเหมือนกันแหละนัะนหลงปลื้มตายไปปุ๊บไปเป็นเทวดาเลยลําบากแย่เลยคนมันมาขอหวย เพิม่มาครั้งแรกครับได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อจาก C ีดีครับแล้วก็อยากมากราบหลวงพ่อครับหัดดูใจนะอย่างที่หลวงพ่อบอกบุณสองคนนี้เบื้องต้นเลยง่ายที่สุดเลยให้ค่อยรู้ความรู้สึกของเราไปจากความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาจิตใจแห้งแล้งอะไรเงี้ยให้เราก็รู้ไป ในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะเชา้า <iley> สายบ่ายเย็นไม่เคยเหมือนกันก็ <General ental> เราก็หัดรู้ไปต่อไปเราจะเห็นเลยในแต่ละขนาดแต่ละขนาดใจเราก็ไม่เหมือนกันขณะ ท, ที่มองเห็นใจเราก็เปลี่ยนแปลงขณะ ท, ที่ได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนแปลงขนาด ท, ที่คิดใจเราก็เปลี่ยนแปลงอย่างเราได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังกริ้งเราจะนอนนะสมมุติเราจะนอนโทรศัพท์ดังขึ้นมามันโมโหนะโมโหเรารู้ว่าโมโหหยิบมาอ้าวกลายเป็นเสียงแฟนเราเองกาลังคิดถึงเลย โมโหพลิกเลยนะเป็นดีใจเนี่ยเราก็รู้ฐานใจมันดีใจแล้วคุยไปคุยมาทะเลาะกันโมโหอีกละรู้ว่าโม โ, มโหดูใจที่มันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาควารู้สึกของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝึกแค่นี้ก็พอลอะนะอะโยมผู้หญิงได้สองคนเมื่อสักครู่นี้ตอนที่หนูมาถึงตอนที่มาถึงใหม่ๆนะคะจิตใจรู้สึกเบิกบานมากนะคะ แล้วเดี๋ยวนี้เองอะค่ะพอถึงตรงนี้ปุ๊บรู้สึกมันเศร้าซึมสลรถลงไปโดยไม่รู้สาเหตุเราดูไปเขาสอนธรรมะเราสังเกตไหมจิตใจมันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะอยู่ๆมันเบิกบานอยู่ๆมันพลิกให้ดูเฉยๆมันเปลี่ยนแปลงให้ดูได้เนี่ยเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิต ต, ตรงนี้ว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานได้เอง เราสั่งมันไม่ได้นะมันจะเบิกบานหรือมันจะเศร้ามันเป็นของมันเองแล้วมันแสดงให้เราดูสดสดร้อนๆต่อหน้าต่อตาเลยเราจะค่อยๆละความเห็นผิดว่าจิตใจนี้เป็นของบังคับได้ถึงจุดหนึ่งรู้เลยว่ามันบังคับไม่ได้หรอกทำงานเองไม่ใช่ตัวเราดีแล้ว <c oughs> ก่อนที่ข้างหลังสุดที่หนูที่ข้างหลังสุดที่ได้มาหาหลวงพ่อนะคะก็กลับไปรู้สึกเบิกบานดีแล้วก็ เหมือนกับมีสติอยขึ้นพอมีสติอยขึ้นก็จะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นกิเลสแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าคือลงนั่งหน้าคอมปุ๊บเนะคะ่ะใจมันบอกเลยบอกว่ า, วาอันนี้มันเป็นกิเลสมากๆเลยนะเราทำไมถึงเสียเวลาอยู่กับมันมากมายอย่างเงี้ยแต่ก็มียอมลุกขึ้นมา่ะตือนั่งต่อไปห <laughs> <laughs> ลังจากนั้นแล้วก็เลยรู้สึกเลยว่าแบบ สติไม่เกิดอีกเลยประมาณสองอาทิตย์นี่ยไม่เกิดเลยค่ะมีแต่ ฟ, úng, ฟ úng ุ้งฟุ้งก็ซ <c oughs> ึมฟุ้งก็ซึมคื่อ่าไปอย่าไปกังวลกับอดีต <c oughs> ที่มันไม่ยอมเกิดนะเพราะว่าใจเราเศร้าหมองเราโมวแต่ไปคิดว่าเราแพ้มันเราแพ้มัน <c oughs> อดีตเนี่ยเวลาเราแพ้ไปแล้วแล้วไปอย่าไปคิดถึงมันเราคิดถึงตอนที่เราชนะบ้างได้คน เห็แม้ใจสว่างขึ้นมาแล้วพอหม่ไปพ้นตัวนะก็ตอนก่อนเข้ามายังเกรงๆนะคะยังแบบบังคับอยู่ค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าประคองประคอง่ดีเก่งใช้ได้รู้สึกสามแถวนี้นะภานาดีๆเยอะนะได้เยอะเลยเดี๋ยวได้แค่นี้นะเชิญไปทานข้าวไป